กล่าวโดยสรุปการอวดหรือบอกกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมคือคุณวิเศษของตนแก่ชาวบ้านแม้จะเป็นจริงก็มีผลเสียหายที่สำคัญแก่ส่วนรวมดังนี้หนึ่งทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นระดมความสนใจมารวมที่บุคคลผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวแทนสนใจสงดังได้กล่าวแล้ว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 ถูกพระหนุ่มเนน้อยคอยล้อเลียนเย้าแย่อยู่เสมอจนพระพุทธเจ้าต้องส่งช่วยอนุเคราะห์ในกรณีเช่นนี้ท่านที่บรรลุจริงนั่นแหละเมื่อบอกเขากลับจะทำให้คนไม่เชื่อหรือถ้าเชื่อเข้าก็เลยหมดหรือคลายความเลื่อมใสในพระศาสนาลงไปส่วนคนที่ไม่ได้จริงแต่พูดคล่องหลอกเก่งลักษณะดี กลับนำฝูงชนสู่ทางผิดไปได้จงนวนมากข้อสี่เมื่อท่านที่บรรลุจริงอวดด้วยสอนเก่งด้วยบ้างท่านที่บรรลุจริงสอนไม่เป็นแต่อวดเขาบ้างท่านที่ไม่รู้จริงสำคัญตนผิดคิดว่าบรรลุแล้วเที่ยวบอกเล่าไปบ้างท่านที่ไม่บรรลุแต่ชอบหลอกพูดหลวงเข้าไปบ้างต่อไป หลักพระศาสนาก็จะสับสนปนเปฟั่นเฟือนไม่รู้ว่าอันใดแท้อันใดเทียมบางท่านมีส่วนรู้จริงในประสบการณ์บางแง่บางอย่างแต่ทำอัตถากับพยัญชนะให้เคลื่อนคลาดจากกันเพราะหย่อนความรู้ทางประยัตก็ทำให้หลักธรรมสับสนพาคนเข้าใจเขวและเสียเอกภาพเป็นคำสอนของพระศาสดาความจริงนั้น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 ไม่จำเป็นต้องอ้างการบรรลุของตนเป็นหลักเกณฑ์ตัดสินก็จะนำรงเอกภาพแห่งคำสอนและเอกภาพแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมดเอาไว้ได้อันหนึ่งเมื่ออวดคุณวิเศษออกไปแล้วมีผู้เลื่อมใสเอาลาบสการะมาถวายของถวายนั้นกลายเป็นของที่ได้มาเพราะการพูดอวดนั่นเองทางพระวินัยถือว่าเป็นลาบไม่บริสุทธ พูดให้ลึกลงไปอีกท่านว่าไม่ต้องกลัวว่าผู้บรรลุอริยผลแล้วจะมาพูดอวดอ้างหรือเปล่าประกาศเพราะเป็นธรรมดาของพระอริยทั้งหลายเองที่ว่าท่านไม่อวดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่อวดว่าตนเป็นพระอริยก็คืออวดว่าไม่ได้เป็นอริยนั่นเองผู้ที่อวดคุณวิเศษที่มีจริงจะมีก็แต่ปุถุชน ซึ่งได้คุณวิเศษขั้นโลกีเช่นฌานสมาบัตเป็นต้น